ไปไปเป็นอันตรายอันตรายที่เกิดจากภายนอกอันตรายที่จะเกิดจากภายในภายในก็คือภายในจิตใจของเราไม่ได้ดีเลยนะเนี่ยภายในจิตใจของเรานี้คนคนนี้มาจากไหนถามว่าคนนีมาจากไหนโพูดกันมากพูันยาว ก็คือมาจากธรมธรมชาติตนั่นแหละธรรมชาติที่โลกนี้ขึ้นมามีดินมีน้ํามีไฟมีลมมีอากาศมีแม่น้ํามีภูเขามีป่ า, ม, ามันจะมีธรมธรมชาติธรรมชาติท่างนั้นเกิดขึ้นก่อนพอเกิดธรรมชาติขึ้นมามนก็เกิดสัตว์น้ํา จัดน้ำขึ้นมาก่อนจัดระบบนะเกิดขึ้นกาจัดน้ําขึ้นมาก่อนเราเคยจัดน้าเป็นตัวเล็กๆ <X 3> จะเรียกอะไรก็ไม่ได้เราจากคนที่พบมาตั้งชื่อของเราเองตัวเๆๆๆล็กๆนั่น่องคนๆพัฒนาพัฒนาพัา น, นาพัฒนาจนเป็นปลาเป็นอะไรขึ้นมาก็เป็นปลายปลามากิขึ้น จะดาน้ำมันลดปลาเกย์ตื้อปลามาเกย์ตื้นต้องสร้างมุมัดก็สร้างสงลมแต่ ม, มลปลาปทุกตัวจะต้องมีสุง่มลมปลาหวานไม่มีสุ่มลมพอมันก็จะหมดขึ้นมาหายใจได้ใ น, น, นปะะนลาต้องมีตุงมลมพอมีสุ่มลมนะตุ่มลมนั้นก็จะพัฒนาพัฒนาพัฒนา เป็นปอดก็เป็นปอดขึ้นมาสําหรักที่เ ก, กิดกักตุกรองอากาศเป็นปอดถ้าเราเกิดกลายเป็นจัตบกเป็นจัตบกก็จาดอะไรจะเกิดคอาเดินหลังเราไม่รู้แต่เกิดเป็นจัตบกทีนี้ผมพัฒนาขึ้นมาปราพัฒนาขึ้นมาแปลว่าสมัยนี้รีราจะบอปลาปีน ปลาติบปราดิกากไปดูแถวจัหดปราการ เ, เรา น, นียยวพวกปลากิบพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาจะมีสมองเป็นคนรู้จักหากินอะไรก็กินตั้งนั้นอะไรที่กินได้ลองชิมดูอันนี้กินได้อันนี้มันข งานก็พัฒนากันมาอย่างนั้นเป็นเรื่องของผ้านุ่มผ้าโฮลเรื่อผ้าอย่างนี้เรเป็นคนขึ้นมามขออาจยทำอาจยปลูกไม้ให้ต้นไม้ใหญ่ใหญ่มันหนาวมันก็เนี่ยคือธรรมชาตินะธรรมชาติพอต่อมาเขาอขอกไปหาทิงข้างนอก หาเปลือก ไ, ไม้ไไมาทำเป็นความอบอุ่นตับร่างกายไม่ไ น, นุ่ง้านุ่งปรอนมีสมอที่รอคอยอย่างเล็กๆเพื่อที่ปัฒนา น, นั่นี่ละเขาไปหาใบ ไ, ไม้มาหาเปลือกไม้มามาห่อหุ้มร่างกาย เคาไม่มีแล้วอย่างตัวเล่นนั้นวุ่นแรงกายเพากลายเป็นคนป่าเราในคนเมืองเนี่ยมันตีหลังแต่คนป่าก็ยังมีอยู่เดิมเขารู้จักเอาเปลืองไม้รู้จักเอาหนังตัดเขาก็เท้หาหางกินไม่มีอะไรก็เอาตอไม้กลับมาตัดมาเขาเอา คนเิดด็นคนเหินไล่สัตว์เพื่อเอามากินแล้วก็ผีวทธิ์ผีได้เพื่อมันพัฒนาผีฤทธิ์วางผีฤทธิ์คว้าป่าคอยไม้ป่าก็จับผีเรื่องไม่ทันก็าตายแต่นี้คนก็หาสัตว์หาสัตว์มากิน ตอนแรกมาเป็นกินเด็กๆกินดิบๆเพราะมันไม่รู้จักควยนี่ควยไหม่ปากก็ทําให้สั่งตายพอสั่งตายบก็เผไหม้ไม่หมดอพอตัวเต๋อมีกลิ่นหอมๆแล้วมาคินกันเออนี่ดีนี่ดีนี่ดีก็เลยรู้จักใจคว ย, ย ม, มาปรุงอาหารเราทำอะไร นี่ยมันพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาก mm hmm. ว่าจะเป็นคนนี่มันไม่ง่ายเลย mm hmm. พอเป็นคนขึ้นมาแล้ว mm hmm. หลงไห ล, ลเราจะหมายถึงหลงไหลในวัตถุกันไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากแก่ไม่อยากทางนั้นอยากวัตถุอย่างเดียวตอนนี้อยากเป็นวัตถุ mm hmm. ทีนี้คน ความวัตถุมันท่วม่มันนี้เรียกว่าวัตถุมันท่วมโลกมันก็เลยสัญชาตักรยานของตัวเองในความเป็นธรรมชาติมันจะหายไปแต่ยังไงมันก็ยังเรียกร้องอนะไรเรียกร้องหาธรรมชาติมันหิวโหยธรรมชาติมันก็เลยต้องเด็กหลายหลายวันอย่างข้าราชการอะไรอย่างนี้ พอปิดหลายหลายวันก็วิ่งไปหาธรรมชาติไปภูเขาไปทะเลไปแม่น้ำไปต้นไปนี่เนี่ยธรรมชาติก็ดึงดูดไปพร้วตัวเองมาจากธรรมชาติพัฒนามาจากธรรมชาติแลว้วเราเป็นธรรมชาติที่คนทีนี้พระพุทธเจ้าเราพัฒนาจนถึงที่สุด รู้จักเคลเดลับของธรรมชาติเรื่องอนิจังทุกขังอนรรัตตาสุญญาตาสุดยอดของธรรมชาติเสร็จแล้วคนก็ต้องกลับไปหารธรรมชาติเดิมธรรมชาติเดิมแท้ธรรมชาติเดิมแท้มันไม่มีอะไรเลยแต่เสร็จแล้วเราทําให้ไม่ให้มีอะไรเลยแล้วก็เลย เราก็ไม่ยึดมั่นหรือมันอะไรเลยเพราะทุกอย่างนั่นเป็นธรรมชาติที่เกิดจากแล้วมันว่างจากตัวตนนั้นก็เลยเลือกความยึดมั่นถึงมันนั่นคือธรรมชาติแท้อยู่ที่ตรงนั้นเรเลือกความยึดมั่นหรือมั่นเพราะธรรมชาติมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเี่นมันเปลี่ยนแคนั้น เรามาศึกษาธรรมชาติเราบวชเป็นพระเป็นจีมาอยู่ที่นี้เราเพื่อที่จะศึกษาธรรมชาติว่าธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นยังไงแต่ธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวมยันยังเกิดเกิดเกิดตายเรายังยึดมั่นแต่ว่าในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความได้ความเสียเรายังเข้าไปยึดมั่นเก้าไปยึดมั่น จิตข si ้าไปยึดมั่นว่าจิตเป็นตัวกูต่างๆท่านไม่มีตัวไม่มีตนเลยเนี่ยคือหลวงเมฆต่าโอ้กับธรรมชาติส่วนนั้นเราไปยึดมั่นหตือมั่นว่าจิตเป็นตัวกูพ่จิตเป็นตัวกูก็ยึดหมดถึงตั้งโลกมันตัวยึดมั่นหรือมั่นหมดสิ่งที่มันติดขึ้นมาเองก็ยึดมั่นหรือมั่นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติตีธรรมชาติตึกขึ้นมา เราก็ข้าไปยึดมัน่นถือมันเํามาเป็นตัวกลัมาเป็นของกลัอย่างสถานที่นี้เรามาปร่อยอยู่มาปร่อยอาศัยเขาปร่อยอาศัยใครก็คือดทำมาจ้างที่ไหนกรุงเทพก็ดีร้านตลาดก็ตลาดก็ดีในเมืองไหนป่าไหนภูเองไหน ธรรมชาติอย่างนั้นเป็นสมบัติของธรรมชาติเราขอมาพักชั่วคราวเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้มันก็เลยเปื้อเลอไปต่อนี้เปื้อเลอไปตับวัตถุพอเดี๋ยวเปื้อเลอไปตับวัตถุมันยึดมั่นหรือมั่นวัตถุเอามาเป็นของกูยึดมั่นร่างกายที่มันไม่ใช่ของจริงเอามาเป็นตัวกูยึดมั่นหรือมันจิตที่ไม่มีตัวไม่มีตนจริง มันเป็นตัวกูมันเป็นของกูเดีนี้ก็ยึดมั่นมากเกินปล่อยมันก็อึดอัดเลยอัดมันก็ไปคลายคลายควางอึดอัดนั้นกับธรรมชาติไประบายะธรรมชาติได้ไปเอาธรรมชาติที่มันจะออกมันเย็นที่ไม่ยึดมั่นเท่มั่นเข้ามาหาจิตตัวนั้นมันจะได้คลายเครียดนี่ยมันธรรมชาติจังนั้นเลยไม่มีอะไร นี่เเรื่องธรรมชาติทีนี้เราต้องการธรรมชาติอ้าวเราอยู่ในเมืองเราอยู่ในดงแห่งธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงก็าต้องปลูก ต, ต้นไม้เราต้องทำอะไรในบ้านของเราว่านั้นเป็นธรรมชาติหรือว่ามีผ้พธรรมชาติที่สวยๆงามๆเอาไว้ น้ำกัวชื่นใจแก่น้นก็ชื้ใ น, นใจนี่คือธรรมชาติมันพยายามที่จะดึงเรามันเรียกร้องมันก็บอกมันก็สอนมันก็กล่าวแต่ว่าวาจาของธรรมชาไม่มีเสี่ยงพอมาเธอมาเธอมาเธ อ, อนี่รู้ที่เราเนี่เป็นอย่างนอย่างนี้เราเนี่เป็นอนิจังเป็นอา น, นัตตาเป็นโญตาว่างจากตัวตนถ้านอย่างมวยึดมั่นหรือมันอยู่เลย ธรรมชาติเรียกร้องเร า, เราแต่เราหูหนวกเราจะได้ยินยังไงเพราะเราหูหนวกหูหนวกแต่ก็ยังไม่บอดตาก็บอดอีกเพราะเราใจมันบอดใจนั้นมันถูกยึดมัน่นถือมันว่าเป็นตัวปูว่าเป็นของปูใจนั้นคนที่การเราเป็นคนที่มีใจที่การอะไรดังนั้นเลยตาไม่ปฏิบัติมำตาไม่เกิด จากสู่ายไรขึ้นมาตายพอทิ้งกายเห็นอะไรก็จริงแต่ยิ้มอะไรก็จริงได้กลิ่นอะไรก็จริงึมั่นถือมันหวัเอาแต่เรื่องสนุกสลานเอาแต่เรื่องเริ่เริ่มหลงไหลในเรื่องของกามอย่างนีไม่ว่าเป็นกามวัตถุหรือกามกิเลสหลงไหลหลงไหลหลงไหลนี่เพราะจิตมันบอดเพราะจิตบอดเลยิงประดังหมด อะไรก็ดีดำหมดแล้วเรายึดมั่นถือมั่นหมด น, นั่นคือค น, นจิตบอดทีนี้เราต้องการที่จะทำจิตนี้มันรุดออกไปรุดออกไปจากความยึดมั่นถือมัน่นมันเป็นมือพย า, ยามานที่มันเหนียวแน่นมันกำเราเอาไว้มันยักเหมืยมานอย่างนั้นมันกำหัวใจกำหัวใจเราเนี่ยเรายึดมั่ น, น, น, นถือมั่นมากครับ หน้าเฉียวหน้าดำเลยยึดมั่นเดียวมันมากเพราะว่ามันมันเครียดเครียดอ่าพอเมียตายตัวเองก็ไม่อยากอยู่แล้วอยู่ทำมวยแล้วเมียตายแล้วอ้าวยิงตัวเผลอตัวเองไม่ว่าสามีตายอ้าวภูเขาตายดูเฉยๆอยู่ไปทำมวยนี่แหละมันยึดมั่นเดียวมั่นทางไหนการชู้จิ้เนี่ยไอ้ตัวกูนี่มันไม่ได้มี มันมีบางครั้งบางคราวที่มันเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกตรามีบางครั้งบางคราวเราไม่รู้เท่าทานมันเพราเราก็กลาวไปเพื่มันม่นหรือมั่นหมายนี่ดังนั้นเราต้องการที่จะลดจากวงจร น, นี้เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้คกิดมันรุดจากวงจร น, นี้จะกลับกล่าวตัวธรรมชาติมันเองเลยธรรมชาติที่มันเสงบ แต่ไม่ได้ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรดังนั้นเลยแต่คนยึดมั่นถือมั่นมหาศาลมหาศาลเลยยึดมั่นถือมัน่นจ้เจ้ามากไว้นับ ก, กันไม่หมดไอ้นั่นของกูอันนี้ของกูอันโน้นตัวกูไอ้ที่อินที่เราอยู่เมื่อก่อนนี่มันเป็นของใครใถ้าเราเดือดานไปเดือดานไปเดือดานไปไม่ใช่ของกูเลยไม่ใช่ของกูเลย เนี่ยอย่างที่ดินที่ภูปะวังเมีงที่เราอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของใครเนี่ยไม่ใช่พอเรามาอยู่แล้วมันเป็นของปูไม่ใช่ก็มาพักสุคราวมาอยู่กับธรรมชาติเพื่อปฏิบัติได้เห็นว่าธรรมชาติมีคุณประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเสือสารไปไอ้ที่ตรงนี้มันก็เป็นเกาะเล็ก พอเป็นก้อนเล็กๆไอ้รอบรอบข้าวก็เป็นทะเลทีนี้ชาวประมงก็ขึ้นมาอยู่วันนี้เพราะพักได้แล้วมหาปลาหาปลากันอะไรกันพอนานๆข้าวเป็นยังไงก็เลยไม่อยู่ทั่วคราบแล้วอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยทีนี้ไอ้แฝ่นดินมันไม่มีอะไรกินมันก็ไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเลืล่อยต่อมา อมันมีที่โพรงที่ตรงที่อะไรเป็นตะกอนน้ำที่ตรงนี้มันก็แห้ง น, น้ำแห้งอยากกาะกลายภาพเป็นบูโขกต่างต่างเนี่มันก็เป็นบูโขกแต่ก า, า, า, ารจะสังเกตดูในทางทางกาลาที่ตรงนั้นมันจะมีหอยมีอะไรอยู่เป็นตะกยิ้นน่ะนี่ถึงมันเป็นเกอกเมื่อก่อนมันเป็นเกอก พอเป็นกอผมก็มาหาปลากทำปลายแห้งปลาเต็มอยู่วันนี้พอต่อมาต่ออกมาวันแห้งพอน้ําแห้งกอพืชมันก็ขึ้นพืชเล็กๆน้อยๆพวกยาพวกอะไรยังก็ขึ้นแล้ลล ว, วมีป่าไมา้มีอะไรบ้างผมจะไม่มากคนก็เลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา แต่ที่เขาพูดๆๆๆไปพบเรือ่ อ, อนั่นแหละคือมันเป็นทะเลก่น อ, อนเป็นทะเลทั้งนั้นอยากที่บ้านอ ข, อ ข, อ ข, อ ข, อของของพ่ออัมเบอลาระโน่ไม่นีเมื่อก่อนเพ่งมีขึ้นมาทีหลังองัมเภลระโน่เพิ่งมีขึ้นมาทีหลังที่ตรงนั้นเป็นทะเลเป็นทะเลอ่าวไทยทีนี้ทอ เครื่องรัตในพวกตะปอนอะไรพวกนั้นามากนเกาจิกกันอยู่เป็นคันจากอำเภอหัวไชยไปถึงสงขาล า, า, าเป็นกันกั้นน้ําก็เป็นกันกั้นน้ํำไม่มีอะไรทีนี้ทะเลก็ถูกปิดไปที่ตรงนั้นก็ที่ตรงนี้ก็เลยกลายกลายเป็นทะเลสาบโยนพ่อไปกดกุดดิน ตีตุวงหากุดดินกุดล็กๆๆๆทาหมดนะ้ำพอจะเป็นน้ำดื่มเอาขุดไปกุดมาโดยกระดูกคนอ ะ, อะไรเนะี่ยกระดูกคนก็คือพวกหาปลาเนะี่ยมันดพอมีลงมีครื่ง ม, มามันก็ตายในทะเละนี่เป็นทะเลม่อก่อน ถ้าเราจะเจอเปล่าตอยเจอนั้นเจอมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่ได้หยุดเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะนั้นในที่ตรงนี้ที่เรานั่งกนอยู่ตรงนี้จากเกก็เป็นภูเขาจากเป็นภูเขาต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องของธรรมชาติทีนี้ไอ้ที่ข้างล่างเป็นพื้นดินเป็นพื้นดินเป็น หญ้าเป็นต้นไม้คนคนลุกกลับมาบูกามามสร้างบ้านตั้งเรือนเพื่อจะปลูกพืชเพื่อจะดวูอาปลาก่จะดูอ่าพอต่อมาต่อมาอีกมากเกินไ ป, ปคนมากเกิ น, ป น, นไ ป, ปวู่นวายวุ่นวายเพราะมีคนขึ้นมาปฏิบัติ บ, ตบนนี้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้รู้เป็นปันปันปีนี่เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมา้แล้ว คนบางคะขึ้นมาทำเป็นธมะนาธรรมแต่ว่าบ่นเหมือนรามอย่างนั้นนไงอายุคนนี้พอทํำสมาธิพาทํำสมาธิพอทำสมาธิสมาธิส ม, มาธิก็ได้ฌานได้ฌานพอสมาธิ้นถูงตายไปก็กลายเป็นเทพมันเป็นอย่างนี้มันก็พัฒนาไปเรื่อยเป็นเทพ แล้วเขก็หาพระอาะหันไม่ได้เขาก็ต้องการที่จ ะ, า ะ, าะหาพระอรหันเพื่อจะไปขึ้นถุยพัฒนาเขาก็ทําไม่เป็นทําไม่เป็นนั้งถือหนังหาในสมัยนั้นมันก็ไม่เหมือนสมัยนี้กเ <c oughs> ลยเขาก็ได้เป็นเทพได้เป็นเทพทีนี้ไอ้บ้านเมืองก็พัฒนากันไปเมื่อก่อนเมื่อก่อน เมืองพัทล so so so so so ุงเนี่ยก็เพิ่งมี้มาที่หลังทางนั้นเมื่อก่อนรถแต่ออกมาแต่ออกมามาอยู่แถวเรียงๆทะเลไปเรียงทะเลแับโจนคลื่นอะไรต่อองไปอยู่ตามตานตามเขาที่มันปลอดภัยไปอยู่โน่นเขาเมืองไปกันที่เขาเมืองเพราะว่ามันมีภูเขาร้อนๆอ่าทีนี้เอ้ามันใกลมีกลำบากอะไรผมไม่รู้ ไปมามาดูลำปังนี่ต้องไปดูในประวัติศาสตร์ดูลำปังมอยู่ลำปังก็อ๋อยามรถลอยมันติดขึ้นอมาดูใกล้ยางรถลอยดีกว่านี่นก็เลยมาตั้งศาลากลางตั้งอะไรต่อตั้งเมืองขึ้นมาเล็กๆ ก, ก่อนเหมือนหมู่บ้านอย่างนั้นพอในศาลากลางขึ้นมา ในรถใคขึ้นมาข้ามในรถยนก็เดยนต์จะบอกรถยนต์จะโดดก็ไม่ไะโดดมากหรอกไปไปมาๆอีกข้ามไปถนนสายเอเชียอ๋อไปอยู่าถนนโน้นดีกว่าเนี่ยมันพัฒนาพัฒนาอยู่ด้วยเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรจริงเลยอยางนั้นเราจะเอาอะไรจริงนะในโลกนี้ยังไม่มีของจริงมีของปลอมทางนั้นเราโง่เองเราคิดว่าของจริง ไม่มีอะไรกรินสักอย่างไม่มีอะไรกินนอกจากธรรมชาติที่มันสงบธรรมชาติที่สงบทีนี้คนก็ไม่รู้ว่าทาไมชองไปอยู่ในปา่าทําไมเชอบไปอยู่ในสวนในทุ่งในนานในไร่เนี่ยเพรก็ต้องการความสงบทําไมเราเึงมาอยู่บนนี้เราต้องการความสงบก็มาอยู่กันเป็นจํานอนมากขึ้นมากขึ้น ครมามส ง, งบในวันนี้ไม่มีอะไรรบกวนเรานี่ดังนั้นจิตที่สงบเนี่ยนั่นตีนั้นตีบารังจก ข, ของจบเอื่ยงความความสงบไม่มีทีนี้เราอยู่อยู่กับความสงบถ้าเราจะตายก็ตายกับความสงบคือให้จิตเข้าไปอยู่ความสงบเสียก่อนเมจิตของเราเข้าไปอยู่กับความสงบมีใครมีอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ทำเจ็บแค่สมอก่อนแล้วก็แก้ปัญหา น, นั้นๆทีนี้พอจะตายขึ้นมาเราก็แก้ปัญหารเราไมา่ยึดมันหรือมันอะไรทางนั้นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวกูจิตก็ไม่ใช่ของกูนี่เนีให้เจ็บอยู่กับความสมองความสมองก็ไม่ตายตายที่ไหนความสมองนี่ทั่วโลกทั่วจักรวาลความสมองนะระบบไม่มีตัวตนนั่นคือพระนิพพานคือความสมอง ก่อนจะงบก็เป็นิพพานไงวะนิพพานยังประมังรุษอย่างนิพพานว่างอย่างยิ่งก็คือจะงบอย่างยิ่งจะงบอย่างยิ่งแล้วสีแต่ตีสร้งสุขขังสุขยิ่งกว่าความจะงบไม่ได้แต่ถึงความจะงบได้เราใ่ยึดมั่นถือมั่นใจตายขึ้นมาเรไม่ยึดมั่นถือมั่นตอนที่เป็นๆที่เราเป็นทุกข์เรายึดมั่นถึงมั่น ยึดม uh ั่นถืมันทางนั้นเนี่ยมันตรงกันข้ายึดมั่นเือมันกับไม่ยึดมั่นถือมันเนี่ก็มานติดตั้งปฏิบัติเพื่อที่จะเลิกความยึดมั่นถือมันนไม่แจวไม่ยึดมั่นถือมั่นจะไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ทําไม่ทำด้วยความไม่ยึดมั่นถือมันแต่ทําด้วยความยึดมั่นถือมันก็ทํำไปด้วยความทุกข์แต่ทำไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมันมันก็จะหนุกมันก็จะหนุกโยมนีราวรวันไหนไม่ได้ มอบมาไนดะ้หลวงพ่อหลวงพอ่อวันนี้ทําอะไรนั่นแหละคือเราทําด้วยความไม่ยึดมั่นเถือมั่นมัมนจะสนกกกาทําเป็นของกูตัวกูของกูของกูไม่สนบกแล้วแบกบเสียการทาอย่านงนะนั้นนี่เราจะทํางานหลวงทํางานรักทํางานของตัวเองตามใจแต่ใหญ่ยึดมั่นเถือมันทํางา น, งง ด, น, น, งานด้วยความไม่ยึดมั่นทางนะ้นั่นแหละคือทํางานด้วยจิตว่า คิดว่ามันเพลินๆมันสนุกเนี่ยมันจสนุกอย่างนั้นิสิตาว่าเราทำนาอย่างนี้นทำนาอา้าวไชนาติ๋วปากไปปรางรา้องเพลงไปปรางเกี่ยวข้าวอาก็สนุน ก, กเกี่ยวข้าวเลยหลวงพ่อบอเกี่ยวข้าวมันไม่อนะมันไป็เกี่ยวนะเจ็บเจ็บตุกเจ็บ่มอนกระจายเจ็บแล้วก็สนุก พอทําไปอะไรไปก็เลื่อนเรื่องดีเนี่ยเคยได้ทำงานด้วยความไม่ยึดมั่นถึงมันเป็นเพลินไดาทำงานด้วยความยึดมั่นถึงมันทํางานในโรงงานอย่างนี้ดูตีนาฬิกาอร่อยถึงเวลาเลือกที่ทํางานที่ไหนก็เหม่อนกันถ้าทํางานด้วยความยึดมั่นถึงมันทางานด้วยการทรมานถ้าทํางานด้วยความไม่ยึดมั่นถึงมัน เลื่อนเลื่อนถาทำงานด้วยความอยากมันไม่เลิ่อนมันทํางานไปพลางตรงนรกไปพระงจังไรแค่นั้นมีอย่างเดียวคือยึดมั่นหรือมันกับไม่ยึดมั่นหรือมั่นธรรมชาติมันมีทั้งนี้มีทั้งนี้ที่เราปฏิบัติจังปับนถ้าเราปฏิบัติด้วยการยึดมั่นหรือมั่นอะไรมันจะรู้ทักทีนะเอาก็ระบบไวตามลําดับ จิจรารนาไปพอนาไปอะไรไปแต่พอรู้แล้วว่านี่พระพุทธเจ้าที่บอกเราแล้วว่านี่คือหัอนทางวนทางอริยมรรติองค์แปดนี่คือวนทางเราต้อง เ, อเดินทางนั้นมีทั้งจิตมีทั้งปัญญาดเดินทางนั้นเดินทางไ ม, ม่ยึดมันม่นถึงมั่นแต่ถ้าทางกิเลสตถนายึดมันม่นถึงมั่นตรงนั้นนี่แล้วก็มีทางนี้อีนแต่เรามองดูว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติ เราก็มาจากธรรมชาติเพราะมาจากธรรมชาติแต่มันเป็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติเรามันเป็นธรรมชาติที่ยังจดจ ด, ดอยู่เราต้องกินอาหารเราต้องดื่มนะอันนะั้นอันนี้นีนน่คือธรรมชาติอย่างหนึง่งฉะนั้นะเราทําให้ถูกต้องทุกอย่างทำให้ถูกต้องทำตรงไหนให้ถูกต้องทำคิดให้ถูกต้องทำคิดของเราให้มันถูกต้องถ้าจิตถูกต้องอย่างนี้ก็ถูกต้อง เราไม่ไม่ไหวเราไม่มีผมไม่ไม่ไม่ไม่ไ เ, เ่ไม่ไม่ไม่ไม่แต่หนทางการมางรถมันบอกเวลาแล้วว่าตอนนี้อาจจะดูมันได้แล้วเพราะตัววันนี้อาจจะเป็นวันจุดตายเพราะว่าถานนของเราก็จะจุดที่ตรง น, นั้นจะถานีหยุดที่ตรง น, นั้นใบไม้ความสะดวกโอไปผู้มา คนไม่แก่ก็ยัเดินมาจากนาพระเลยจากที่จอดรถมาถึงนี้แต่ผู้ถูาถอายุ็อจะนั่งรถมาได้จะจะมีปลายทางที่ตบงนี้จะจะมีปลายทางของพวกเราอยู่ที่ตรงไหนไปปฏิบัติกรออบบารสวยที่กันเองไปจบไปจบแบบนี้